มีเพอเจอร์เนี่ยสีข้อสีด่างพลอยไปหน่อยแล้วพูดเพร์เจอหลวงพอ่อได้ยินครูบาอาจารย์บอกนะว่ามันยากไปสำหรับคารวะาเราก็ไม่เถียงครูบาอาจารย์นัปฏิบัติครูบาอาจารย์ว่างไงเราเคารพแต่ไม่เชื่อการเคารพกับการเชื่อคนละเรื่องกัน อย่างเราไม่ร่วงเกินครูบาอาจารย์เรารู้ว่าท่านดีจริงแต่ท่านสอนท่านบอกว่าอย่าไปสอนคารวะเลยมันยากไปหลวงพ่อไม่เชื่อที่ไม่เชื่อเพราะหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เป็นคารวะรู้ว่าคารวะก็ทำได้นะถ้าคารวะมีโอกาสได้รู้วิธีที่คารวะปฏิบัติไม่ได้สักทีก็เพราะไม่รู้วิธี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 เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์เราจะพ้นทุกข์ได้นะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัตินะมี2 ส, ส่วนเป็นการพัฒนาใจเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยมีอยู่2 ง, งานงานที่1เรียกว่าสมถกรรมฐานงานที่สองเรียกว่ามิปัสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะั้นนะเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราให้สงบให้ตั้งมั่นให้อยู่กันเนื้อกับตัว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 เมื่อเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจจน จ, จิตเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรียกว่าได้สมาทิฏฐิคือรู้ความจริงแล้วว่ารูปนามกายใจนี้คือตัวทุกข์เมื่อไหรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อนั้นจะละสมุทัยคือละตันหาละความอยากเมื่อไรละความอยากได้ละตันหาได้ใจหมดความทินรนเมื่อนั้นนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่ได้มี ภาพพระพุทธเจ้ามานั่งเข้าแถวอยู่อันนั้นเป็นนิมิต ท, ทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวอะไรกับ น, นิพพานของพระพุทธเจ้าเลยนิพพานคือสภาวะที่สิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นความดิ้นรนเ ร, ร่าร้อนปรุงแต่งของจิตใจนิพพานสิ้นความยึดถือในรูปนามและในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ยึดกระทั่งจิตที่จะสัมผัสพระนิพพานเนี่ยไม่ยึดกระทั่งพระนิพพานนี่เราจะต้องฝึกปฏิบัตินะด้วยการรู้ทุกข์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 อยากรู้สัมผัสทางกายอยากจะได้เรื่องราวสนุกสนานทางใจเนี่ยใจเรามันมีความหิวมีตัณหามันก็ดิ้นรนอยากเห็นรูปเขาเรียกว่ารูปปัตหาอยากได้ยินเสียงเรียกสัทธาตัณหาอยากได้กลิ่นคันทัตัณหาอยากได้รสรัสตัณหาอยากมีโธถภะมีธรรมรมณ์อยากได้อารมณ์ทางใจที่ดีเนี่เรียกว่าธรรมตัณหาดันตัณหาก็คือ ความดิ้นรนของใจที่มันหิวมันอยากว่าใจมันหิวใจมันไม่มีความสุขมันดิ้นใจที่มันดิ้นรนด้วยความหิวด้วยตัณหานั่นแหละมันไม่เห็นพรินิพพานถ้าเมื่อไรมันหมดแรงดิ้นนะมันหยุดทำลายตัณหาลงไปแล้วมันละตัณหาเมื่อนั้นนิพพานจะปรากฏนี่สิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้นะว่าเราจะมาพัฒนาจิตใจของเรา แต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงขั้นในการพัฒนาจิตใจเราต้องมีการฝึกพื้นฐานซะก่อนพื้นฐานของคนซึ่งจะเตรียมพัฒนาจิตใจเนี่ยก็คือการจัดระเบียบ ก, กายวาจาของเราให้เรียบร้อยก็คือเราต้องมีศีล5ศีล น, นั้นขอ5ข้อเท่านั้นไม่ต้องศีน8นะไม่ต้องศีล10ไม่ต้องศีล2องไม่ต้องหรอกศีลหนั่ น, นแหละสาคัญที่สุดถ้ามีศีล5้าได้ก็บรรลุมรรผลได้นะ จะได้โสดาสกตาคาเนี่ยไม่ยากแล้วก็ถ้าจิตเราละเอียดขึ้นไปนะมันถือศีลได้ละเอียดขึ้นไปเองเนะองได้อนาคาเนี่ยถือศีลแฝดนี่เป็นเรื่องปกติเลยธรรมดาศีลนะมันจะดีขึ้นไปเองแต่ว่าเราถือศีลห้าไว้ก่อนการถือศีลห้าเนี่ยคือการไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะไม่เบียดเบียนประทุสไร้ายร่างกายชีวิตเขาเนี่ยศีลข้อหนึ่ง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 มันจะเมตตาตอัตโนมัตินะมันจะมองคนอื่นมองสัตว์อื่นนะด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตรเห็นอกเห็นใจถ้าเรารักษาศีลข้อ2ฝึกเรื่อยเลยเราไม่เอาของคนอื่นพอเราพัฒนามากกว่านั้นเราจะรู้จักให้คนอื่นดังนั้นถ้าเรารักษาศีลข้อ2ให้ดีนะต่อไปเราจะให้ทานได้อย่างสบายใจเราจะพบว่าเอาของคนอื่นเขามีความทุกข์ถ้าให้คนอื่นได้มีความสุข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 คนที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองสงบสุขนะนึกออกไหมแต่งง า, า, า, า, านนานๆนะพอเห็นหน้าภรรยาแล้วจิตใจเฉยๆอุเบกขาเลยสงบไม่หวือหวาถ้าเจอสาวๆนะก็ดีก็ะดาจแกว้งไปแกว้งมาเนะีนะ่ยนะี่เราฝึกเรามีศีลข้อสมนะเราจะได้ความสันโดษมาถ้าเรามีศีลข้อสี่ไม่โกหกหลอกลวงนานๆเราจะได้สัจจนะเราจะได้ธรรมะมาด้วยคือสัจจะ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 หรือปฏทุสลายล่อหลวงให้เขาเสียทรัพย์เนี่ยนะช่วงชิงทรัพย์เขาเนี้ยข้อ4ข้อเดียวเนี่ยทำผิดศีลข้อ12ึสได้หมดด้วยทําได้ทุกข้อเลยยิ่งข้อ5้าเนี่ยปทุสลายตัวเองทําให้ตัวเองขาดสติถ้าเราไม่กินเหล้าเมายานะเราพยายามฝึกตัวเองเนีเราจะได้สติสัมปชัญญะได้ธรรมะคือสติสัมปชัญญะงั้นให้พวกเราตั้งใจรักษาศีลห้าไว้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 มีความสุขความสงบมีความตั้งมั่นเนี่ยก็คือการฝึกสมาธินั่นเองวิธีฝึกสมาธินั้นอ่ะทำไม่ยากหรอกนะเคล็ดลับมันมีเราต้องมีความสุขถ้าเรามีความสุขสมาธิถึงจะเกิดต่อไปนี้ลองทดลองนะยิ้มหวานหานยิ้มสิยิ้มหวา น, วา น, ย, ย, วานยิ้มอย่างมีความสุขยิ้มให้ใจมันเปิดกว้างเลยยิ้มแบบยิ้มสบายมีความสุข บางคนยิ้มไม่มีความสุข้วยิ้มอย่างนี้นะยิ้มด้วยความเครียดแค้นเพราถูกพ่อแม่บังคับมาฟังเทศเทศแล้วบอกให้ยิ้มแล้วแม่สะกิดให้ยิ้มแล้วไม่อยากยิ้มสังเกตไหมตอนที่เรายิ้มนะใจเราคลายตัวใจมันจะผ่อนคลายนะเวลาที่ใจผ่อนคลายแล้วเนี่ยเรารู้กรรมฐานสักอย่างหนึ่งด้วยใจที่ผ่อนคลาย อย่างเราจะรู้ลมหายใจนะเราก็รู้ลมหายใจด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายจะดูท้องผองยุบก็ดูด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายจะพุโทโธจะบริกรรมอะไรก็ตาม o, บริกรรมไปด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายพุโทโธพุโทโธพุโทโธด้วยใจที่มีความสุขหายใจไปด้วยใจที่มีความสุขอย่าไปเริ่มต้นด้วยการทําใจให้เครียดเครียดนักปฏิบัติเกือบร้อยร้อยนะพอบอกให้เริ่มปฏิบัติเนี่ยต้องทําตัวเองให้เครียดก่อนเริ่มต้นด้วยการบังคับร่างกาย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 มันจะไม่ใช่ตัวอานาปนาสติแท้อนาปนาสติแท้แท้ก็คือหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกด้วยใจที่สบายรู้สึกด้วยใจที่ผ่อนคลายพวกเราหลายคนยังติดสมาธิอยู่นะนี่ติดสมาธิอยู่เวลาคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยใจมันจะขมวดเข้ามารวบเข้าหมาัม่นจะแน่นๆน่ถ้าเมื่อไรภาวนาแล้วแน่นให้รู้เลยว่าผิดแน่นอนจิตที่แน่นเป็นอกุศ ล, ลจิตไม่ใช่กุศล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 ถ้าไม่ถนัดแยกร่างกายและแยกความรู้สึกก็ได้ความสุขความทุกข์เป็นอันนึงจิตเป็นคนดูอยู่อีกอันหนึง่งหรือไม่ถนัดตาารงนี้จะดูจิตที่โกรธจิตที่โลภจิตที่หลงนะเป็นอันหนึง่งจิตที่รู้เป็นอันหนึง่งเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่คือจิตเนี่ยเป็นคนดูฝึกกรรมฐานเนี่ยนะมีผู้แสดงกับมีผู้ดูจิตขอเราเป็นผู้ดูถ้าแยกได้สองอย่างนะมีผู้ดูอยู่หนึ่งนะในสองนั้นมีผู้ดูอยู่หนึ่งนะปฏิบัติต่อได้ แต่ถ้าสองนั้นนะร่างกายอันหนึ่งสุขทุกอันหนึ่งไม่มีจิตที่เป็นผู้ดูอันนี้ปฏิบั ต, ติต่อไม่ได้ต้องมีจิตที่เป็นคนดูแล้วเราต้องมาฝึกจิตที่เป็นคนดูนะเป็นคน เ, yeah. เราดูอะไรก็ต้องซ้อมเป็นคนดูร่างกายหายใจออกเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าถ้าไม่ถนัดดูร่างกายก็พาจิตมันดูความรู้สึกในใจความรู้สึกสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ความรู้สึกทุกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้โลบโกรธหลงเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ ถ้าหัรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตโลภกรธหลงไม่ใช่จิตนะฝึกอย่างนี้นะร่างกายก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปรู้ถ้าฝึกได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะเห็นร่างกายนั้นทํางานไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ร, ร่างกายนี้มีความจริงของร่างกายอยู่ก็คือมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ใครได้เก่าบ้างใครได้เก่าไปบ้างแล้วยก ok มือสิมีไหม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 เมื่อสุดขีดนั่งต่อไปไม่ได้แล้วลุกขึ้นเดินเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ที่จริงในะร่างกายเราเนี่ยความจริงในร่างกายที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลานะคือความทุกข์ร่างกายเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เรารีบเปลี่ยนอิริยาบถโดยอัตโนมัติมันเมื่อยเราก็ขยับตัวมันคันเราก็เกาเนี่ยแล้วจะเปลี่ยนอิริยาบถ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 ความเมื่อยเกิดขึ้นในร่างกายหรือความหิวความหนาวความร้อนความกระหายน้าปวดเอือปวดฉี่อะไรเนี่ยรู้สึกตัวซะหน่อยนะอย่างเช่นหิวน้ำกระหายน้ำแนละ้วรู้ว่ากระหายแล้วก็ไปกินน้ำได้ไม่ใช่ว่ากระหายแล้วต้องทนอดนะรู้ว่าหิวแล้วก็ไปกินข้าวไม่ใช่หิวยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าซัดข้าวไปหลายจานแะล้วเคยไหมบางคนอยากไดเอทนะ อยากไดเอทจะพอหิวขึ้นมานะหมดไปสาจานแล้วเพิ่งนึกได้ว่าจะไดเอทนะเนี่ยเพราะเราไม่มีสตินะถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายเราเห็นมันมีแต่ความทุกข์นะจะนั่งอยู่ก็ทุกข์นอนทุกข์ไหมเวลานอนเวลานอนมีความทุกข์ไหมใครเวลานอนเนี่ยไม่พลิกเลยทั้งคืนมีไหมก็พวกเป็นอมาาัมพาตไงนะนอนแล้วพลิกไม่ได้มีสุขหรือมีทุกข์มีทุกข์นะ มีทุกข์มากเลยอย่างพวกเรานอนนะถึงจะนอนหลับนะร่างกายมันทุกข์ร่างกายมันก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามันเปลี่ยนอิริยาบถเป็นอิริยาบถย่อยๆนะบางคนละเมอลุกขึ้นเดินนี่เปลี่ยนอิริยาบถใหญนะ่แต่ส่วนใหญ่ก็แค่ขยับไปขยับมาพลิกไปพลิกมาเพราะอะไรเพราะมันทุกข์ที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นแต่ตอนนอนเนี้ยไม่ต้องไปฝึกนะหลับไปเถอะช่างมันเอาตอนตื่นนี่แหละ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 เดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวก็ขับถ่ายนะเดี๋ยวก็กินน้ำเข้าไปก็กลายเป็นเหงือ่อไหลออกไปกลายเป็นปัสสาวะไปเป็นน้ำลายกระเด็นบางคนกินน้าไปปี๊บหนึ่งกลายเป็นน้ำลายซะครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยพวกพูดมากๆน้ำลายกระเด็นเสียไอ้น้ำไปเยอะเนี่ยธาตุามันหมุนตลอดเวลานะถ้าธาตุหมุนไม่ได้ตายเลยเช่นหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายกินแล้วไม่ขับถ่ายก็ตาย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 ร่างกายเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ขนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะเห็นด้วยปัญญานะแต่จริงจริงไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่มีแต่ความทุ่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุที่จิตนี้มาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวนี่เห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นร่างกายถูกต้องล้ถ้าเห็นจิตเห็นใจเนี่ยเราจะเห็นความไม่เที่ยงได้ชัดร่างกายดูความไม่เที่ยงยากนะเดี๋ยวเราดูดูมือตัวเองเนี้ยดูไงมันก็ยังเหมือนมืออย่างเก่า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 เนี่หาดรู้อยู่ในใจของเรานะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปมันจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อทีความรู้สึกโกรธก็เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวความรู้สึกโกรธก็หายไปบางทีความรู้สึกรักก็เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวความรู้สึกรักก็หายไปใครมีลูกบ้างในห้องนี้ใครมีลูกยกมือให้หลวงพ่อดูซิรักลูกตลอดเวลาไหมความรักที่มีต่อลูกเที่ยงไหม เห็นไหมเราไม่ได้รักลูกตลอดเวลาเรารักตอนนึกถึงเท่านั้นนะตอนนั่งฟังเทศลืมลูกเนี่ยไม่ได้รักลูกนะไม่มีลูกด้วยตอนนั้นเพราะอะไรใจไม่ได้สนใจไม่ได้ยึดถือไม่ได้สําคัญมั่นหมายนั้นความรักทั้งหลายนี่นะก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันมันรักขึ้นมาก็ตอนที่มันคิดเอาเท่านั้นแหละพอมันรู้สึกตัวขึ้นมานะลืมวัวแต่ไปนสนใจสิ่งอื่นมันก็ลืมความโกรธก็ไม่เที่ยงใครเคยโกรธนาน มีไหมโกรธสักปีหนึ่งเคยไหมมีมหมปีหนึ่งสองปีบางคนโกรธหลายปีบกโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติตอนเด็กๆ เ, เคยท่องไหม <c oughs> ห้านาทีก็หายโกรธแล้วเด็กๆตีกันแปบเดียวก็เล่นกันใหม่นะละแม้ความโกรธมันก็พลิกไปพลิกมาเราคอยรู้ทันความรู้สึกของเรานะความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารู้บ่อยๆ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 พระพุทธเจ้าสรุปนะสิ่งที่เรียกว่าทุกเนี่ยตัวจริงของตัวทุกอ่ะสังคิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาโดยสรุปขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนี้แหละคือตัวทุกขบางคนไปได้ยินว่าขันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือทุกก็เลยไปแปลเพี้ยนเพียนนะหลวงพ่อนี่แหละเคยแปลผิดคิดว่าถ้าเราไม่ยึดขันขันจะไม่ทุกยจงคิดอย่างนี้นะถ้ายึดเราจะทุกถ้าไม่ยึดไม่ทุก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 ขันบางอย่างไม่ใช่อุปาทานขันนะอย่างมรรคจิตผลจิตนะี่ไม่ใช่อุปาทานขันไม่ใช่ตัวทุกขเพราะ ง, งั้นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปเรียนรู้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกก็คือสอนให้รู้กายรู้ใจของเรานี่เองสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละที่เรียกว่าอุปาทานขันให้รู้ไปมากๆนะจอวันหนึ่งเราจะเห็นได้ว่ากายนี้คือตัวทุกใจนี้คือตัวทุกข์ตอนแรกเราจะเห็นนะว่ามันไม่ใช่เราหรอกนะอย่างร่างกายนี่ไม่ใช่เราหรอก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 ถ้ารู้ทุกจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนจิตนี่แหละคือตัวทุกข์ถ้ารู้อย่างนี้ได้นะมันจะปล่อยวางได้ถ้ามันยังเป็นสุขบ้างทุกบ้างมันจะไม่ปล่อยแต่มันจะหนีทุกข์มันจะวิ่งไปหาความสุขทุกวันนี้ก็คือที่ชีวิตเราวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี้ก็วิ่งหนีหาหนีความทุกข์วิ่งไปหาความสุขอยู่ตลอดเวลาเราไปดูหนังเนะี่ยเพื่ออะไรบางคนครุ่มใจไปดูหนังไปฟังเพลงใช่ไหมเพื่อจะหนีทุกข์ หรือว่าไม่สบายใจอยู่อยากไปดูหนังอยากไปฟังเพลงอยากไปหาของอร่อยอร่อยกินอยากไปหาสาวสาวสวยสวยดูให้เพลิดเพลินเพื่อจะหาความสุขทุกวันเนี้ยที่เรามีตัณหานะเรามีความดิ้นรนอยู่ใจเราหิวอยู่ตลอดเวลาเนี้ยก็ดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์ดิ้นรนที่จะหาความสุขนั่นเองแต่ถ้าเมื่ อ, อไรสติปัญญาแก่รอบเรารู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ ความดิ้นรนที่จะหนีทุกจะไม่เกิดขึ้นมันหนีไม่ได้เพราะมันคือตัวทุกเหมือนไฟยังไงก็ร้อนขันนี้ยังไงก็ทุกเนี่ยเหมือนกับที่ไฟยังไงก็ต้องร้อนไม่ต้องหนีหรือมันจะไปไม่ไม่ดิ้นรนหาความสุขนะเพราะมันรู้ว่ามันคือตัวทุกขมันจะไปความสุขไปไม่ได้จริงหรอกนะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแต่ทุกล้วนๆทุกมากกับทุกน้อยเท่านั้นเองไม่มีทุกข์กับสุข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 ศีล ส, สมาธิปัญญาที่เราพยายามฝึกตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าบุพพาคามักบุพพาภาคบุพพาคามักเป็นเบื้องต้นทําให้เกิดอริยมรรคเท่านั้นเองนะเมื่อเราสามารถพัฒนาศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะตัวปัญญานะศีลเป็นพื้นฐานทําให้มีสมาธิสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมาดูกายทํางานมาดูใจทํางานเห็นความจริงของกายของใจแล้วมีปัญญาจิตก็จะหมดความยึดถือนะ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 หน้าที่ต่อมกักๆักก็คือมักมีองค์แปดในะย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาหน้าที่ก็คือทำให้เจริญขึ้นนี่เราต้องรู้หลักอย่างนี้ถ้าเมื่อไร่พลาดจากหลักนี้แล้วใช้ไม่ได้อย่างเราจะมาทาบุญหวังว่าจะเฮงเงนี่ไม่ใช่เรื่องอริยสัจแล้วทาบุญแล้วเฮงอ่ะนะไปมุดลงศพแก้ซวยเห็นไหมหมุดแล้วโชคดีนี่ไม่ใช่ชาวพุทธ น, นะ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 โทษชี้จกมันทำหางขาดบ่อยๆเราไปเก็บมาสิเนาะเก็บเาให้ได้ไปต่อหางอีกตัวหนึ่งทากาวไว้ชาพุทธไม่งมงายนะชาพุทธไม่เชื่อโชคลางเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทาของเราเองนะต้องเชื่อตัวนี้นะแล้วก็พัฒนาตัวเองเราต้องเชื่อในศักยภาพของเราคนสมัยพุทธกาลเขาบรรลุมรกผลได้ทาไมเราจะบรรลุไม่ได้มันก็คนเหมือนกัน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 ชาวพุทธที่ไม่ได้ศึกษาก็ถูกคนหลอกคนที่หลอกเราเก่งก็คือพระนี่แหละหลอกเรานะหลอกอย่างนู้นว่าหลอกนี้หลอกให้แทงป่วยนะใครยังเล่นป่วยอยู่สารภาพมาซิยกมือซิมีไหมเออบอกมาอย่าอย่ามุสานะลดลด ล, ล, ลงบ้างเราสํารวจดูไอ้ที่ถูกกินก็นได้กินนะอัานไหนมันจะเยอะกว่ากันถ้าเป็นนักคณิตศาสตร์ที่จะรู้ว่าต้องถูกกินเยอะกว่าและวป๊อปมันต่ํากว่ากัน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 ดิฉันได้บรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยหลวงพ่อเขาจะตอบไม่จริงหรอกอเงี้ย <c oughs> นึกเอาเองน ะ, นะกิเลสตัวนี้ยังอยู่ไหมองี้น ะ, น ะ, นะดูอย่างนี้นะถ้าคิดว่าบรรลุให้ดูที่กิเลสนะดูกิเลสพระอริยบุคคลแต่ละชั้นนะละกิเลสต่างๆกันถ้ากิเลสตัวนี้ยังอยู่นปลุบปุโผลโลเนี่ยไม่ใช่หรอกนะบอกไว้ก่อนนะใครจะบรรลุก็บอกไว้ก่อน อาสงกันบ้านกาบนมัสกา ร, ากราหลวงพ่อนะคะวันนี้ได้เป็นปื้่มที่เจหน้าหลวงพ่อมากกว่าได้มาฝึกปฏิบัติดยการทำงานทำงานกับทุกน้องก็เห็นกายกับจิตนะที่แยกแยะเวลาเราสั่งงานไปหรือว่าเราทำอะไรไปหรือแม้กระทั่งที่เราเห็นว่าตัวเราเป็นทุก นะเราก็ตามดูทันตามแยกจิตทันแต่ว่าก็ยังแพอารมณ์จิตของตัวเองอยู่แพ้บ้างก็ไม่เป็นไรวันนี้แพวันหน้าไม่แพ้ก็ลับกันอยู่ๆจะให้เราชนะกิเลส ท, ทั้งหมดนะั้นมันเป็นไปไม่ได้นะกิเลสมันคลองโลกมานานแล้วเราได้รู้เท่าทันมันเป็นลำดับลำดับไปนะเราไปดีสละมากขึ้นมากขึ้นก็ดีแล้วล่ะสู้เอา ยากจังเลยอะหรือว่ายากค่ะหรือหลวงปู่ดุลสอนหลวงพ่อบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติปฏิบัติจะยากอะไรจิตมีโทสระรู้ว่ามีโทสะไม่เห็นยากเลยแต่ถ้าบอกว่าจิตมีโทสะให้ละเสียอย่างนี้ยากนะการปฏิบัติจริงๆคือการรู้อย่างที่รูปนามมันเป็นนะไม่ยากหรอกจิตมีโทสระรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสระรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเนี้ย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 ก็ต้องต้องขอการมาชกงารหลวงพ่อนะคะว่าบางครั้งเราอยู him, ่กับกายกับ like, จิตของตัวเราเองมากบางทีเอ๊ะบ er> ุญบาปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็รู้ว่าแล้วตรงไหนเป็นบุญล่ะแล้วเราจะสร้างบุญบารมีบุญตรงนี้ได้ยังไงอีกล่ะบางทีก็งงกับตัวเองอะฮะหลวงพ่อไปไม่ถูกอะฮะงงรู้ว่างงตรงที่รู้ว่างงเนี่ยเป็นการเจริญปัญญานะได้บุญใหญ่ ยิ่งไปใส่บาตรอีกกำลังงงรู้ว่างงกำลังโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยบุญมากกว่าไปใส่บาตรอีกนะเมื่อไรไมีสติเมื่อนั้นแหละจิตเป็นกุศลเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นแหละไม่ใช่กุศลแล้วดูแค่ง่ายง่ยงั้นรู้ใ น, นรู้ตัวไปแล้วหนูต้องทำยังไงต่อฮะตั้งหลุตั้งมั่นนะะยากมากหลวงพ่อฮะอย่าไปบังคับให้มันตั้งก็แล้วกัน อย่างขณเนี้บังคับแรงไปรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดารู้ด้วยใจที่ผ่อนคลายรู้แล้วก็เผลอเผลอแล้วก็รู้ดีกว่าไม่ให้เผลอเลยแล้วใจตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันไม่เผลอเลยอันนั้นไม่ดีหรอกนะมันจงใจตั้งมากไปมันเครียดพาวนาต้องไม่เครียดนะจำหลักตัวนี้ให้ดีถ้าเครียดแล้วทาผิดทาด้วยความโลภมันจะเครียด ใช่ไหมฮะหลวงพ่อต้องปล่อยวางให้ได้ใช่ไหมไม่ใช่ปล่อยวางเป็นหน้าที่ของปัญญาเรามีหน้าที่รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงหน้าที่เราจบลงแค่นั้นนะที่เหลือจิตเขาเป็นไปเองเขาปล่อยเองไม่มีใครสั่งให้ปล่อยได้ขอบพระคุณมากค่ะหลวงพอ่อรู้สึกขอบพระคุณในความที่ได้เห็นหลวงพ่อในแบบ ในชีวิตนี้นะคะที่ได้เห็นได้แยกแยะได้อะไรได้ถึงแม้จะไม่ได้1้อเปอร์ซ็น์แต่ก็ยังมีเทที่ยึดมั่นถือมั่นได้นะคะอย่างน้อยเราแยกรูปนามได้แล้วล่ะเมื่อรูปนามมันแยกได้เราดูรูปทำงานดูนามทำงานด้วยใจที่เป็นกลางเท่านั้นเองถ้าใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางก็แค่นั้นเองที่เหลือจิตเท่าเป็นไปเองค่ะขอบพระคุณมากนะคะหลวงพ่อคะ ครับนมาส ก, การหลวงพ่อค่ะวันก่อนไปส่งกันบ้านหลวงพ่อที่หาดใหญ่อ่ะค่ะอครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็ดีขึ้นแล้วละ่ะดูออกเปล่าดูออกค่ะออดูออกแล้วจะสงสัยอะไรเออจะขอกันบ้านนะคะเพราะว่าเดือนรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเรารู้สึกค่ะเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์ความดีความชั่วมันมาแล้วมันก็ไปสั่งมันไม่ได้ค่ะ ดูไปอย่างนี้แหละดูจนมันพอตอนนี้มันยังไม่พอมันยังลุ้นอยู่ไปดูอีก เ, ออเดินมีนาจะไปภาวนาที่วดัดป่ะค่ะจะขอกันบ้านหลวงพอ่อค่ะเดินมีนาเดินมีนาค่ะนี่เราก็ทําตั้งแต่วันนี้แหล ะ, ออะรู้สึกกายรู้สึกใจไปศีลก็รักษาไว้ทุกวันทําในรูปแบบเวลาที่เหลือมีสติอยู่ สุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดรู้ทันร่างกายหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนรู้ทันรู้อะไรได้ก็เอารู้กายได้ก็รู้รู้ใจได้ก็รู้นะก็ทุกวันนี้ยังอยู่ในร่องในรอยใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่สิไม่อยู่ได้ยังไงเออตั้งใจไว้ว่าจะถวายการปฏิบัติบูบชาหลวงพอ่อแล้วก็ถวายพระพุทธเจ้าถวายหลวงพอ่อที่พระพุทธเจ้าก่อนนะเออต้องอย่างนั้น ที่ผ่านมาแล้วก็ในวันข้างหน้าค่ะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์อ<ส>าชราวพระพุทธเจ้าหลวงพ่อแล้วชอบมากเลยคําว่าที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยชอบชอบกล่าวบอกว่าคุณหลวงพ่อค่ ะ, ะเราชาวพุทธนะเรามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละครับนมัตพานครับหลวงพอ่อส่งกันบ้านในรอบหนึ่งปีครับคราวที่แล้วเนี่ยไปส่งกันบ้านหลวงพอ่อบอกว่าผมเนี่ยชอบส่งจิตถลำลงไปดูในกายครับก่อนไม่ดูออกไม่ล่้ ดูออกครับเออถ้าดูออกก็หายแล้วก็เดิมเนี่ยใช้ยุบหนอพองหนอครับแล้วช่วงหลังเนี่ยพอแน่นๆไปเนี่ยก็เลยมาใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมแทนนะครับแล้วก็มันก็ดีขึ้นนะครับคือที่จริงแล้วมันไม่ใช่ยุบหน่อพองหนอผิดนะเข้าใจครับไอ้ที่ผิดคือจิตของเราถลำลงไปดูครับนะถ้าจิตเราอยู่ต่างหากเมื่อเห็นร่างกายพองร่างกายยุบก็ไม่ผิดหรอกมันก็เหมือนเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้า ดูไปร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อย <c oughs> ๆแล้วความสุขความทุกข์ความสงบความฟุ้งซ่านอะไรเกิดนะก็ <c oughs> รู้เอาไม่ใช่หายใจเพื่อสงบด้วยไม่ใช่หายใจเพื่อสุขด้วยไม่ใช่หายใจเพื่อดีด้วยคห <c oughs> ลวงพ่อจิตรวมถึงจุดหนึ่งนะครับผมวงพอรู้สึกมันก็เห็นนะครับว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เรา ม, มันแยกไปเพียงแต่ว่าตอนนั้นร่างกายเป็นว่างๆแล้วมันไปต่อไม่ถั่วครับหลวงพ่อการบ้านตรงเนี้ครับมันว่างๆก็รู้ไปนะว่างก็ไม่ใช่เราอีก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 ได้ครับขอบพระคุณมากครับคนภูเก็ตมารอบนี้ดีกว่าเก่าเยอะเลยปีกลายยังไม่ได้เท่านี้นะในภาพรวมทั้งห้องเนี้ยในภาพรวมแล้วดีขึ้นมากๆเลยใช้ได้น้ำมัส ก, การลงพ่อค่ะโยงฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามตั้งแต่ประมาณาประมาณสี่ปีเดี๋ยวนี้ฟุ้งซ่านน้อยลงไหมดีขึ้นนะโอ้โนะ เราอย่าปล่อยใจให้มันฟุง้งนะให้คอยรู้ทันใจเราฟุ้งซ่านเราก็รู้เอานะใจสงบเราก็รู้เอาไม่ได้ฝึกเอาสงบด้วยน ะ, ะฝึกว่าฟุ้งก็รู้สงบก็รู้แล้วเห็นเลยมันจะสงบหรือมันจะฟุง้งเราสั่งมันไม่ได้ดูออกไหมนี่แหละดูอย่างนี้เป็นกรรมฐานนะทําไปเรื่อยๆดูอย่างนี้ก็ใช้ได้แนละ้วคุณยม อ, อยากเรียนถามหลวงพ่อว่ายังติดขัดอะไรตรงไหนไหยเพราะว่ายมจะนั่งสมาธิไม่ได้ นั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช้ดูกายดูจิตไปเรื่อยๆดูไปอย่างนี้นะแต่ไม่ได้รู้สงบนะจะไม่ไม่เคยสงบสงบก็รู้ฟุ้ง็รู้หลวงพ่อถึงเริ่มได้ฟุ้งซ่านเนีชยไหมตัวแรกที่หลวงพ่อถามโยมก็คือฟุ้งซ่านหรือไหมงั้นแล้เราดูความฟุ้งซ่านไหมแล้วเห็นจิตมันฟุ้งได้เองพอรู้แล้วบางทีมก็สงบลงฟุ้งน้อยลงเดี๋ยวก็ฟุ้งแรงเดี๋ยวก็ฟุ้งน้อยนะเนี่ยแสดงว่าไม่เที่ยงดูอย่างนี้เข้าไปเลย ใช้ปัญญานํานะเราสมาธิเราไม่มีเราใช้ปัญญานําดูไปมีแต่ของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านอ้าวต่อไปนามสการเจ้าค่ะหลวงพ่อวันนี้แม่ชีมาเหนื่อยคะ่ะเพราะไม่สบายไม่ชีป่วยไม่สบายสามเดือนที่แล้วแม่ชีขึ้นไปส่งกันบ้านหลวงพ่อที่ชนหลวงพ่อบอกว่าเวลาสอนธรรมะคนอื่นระวังจะติดสุข แล้วก็หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อฟังไม่ออกหลวงพ่อบอกว่าเวลาสอนธรรมะคนอื่นระวังจะติดสุขเมื่อครั้งสาเดือนที่แล้วที่แม่ชีขึ้นไปส่งการบ้านเจ้าค่ะแต่พอมาวันนี้แม่ชีป่วยไม่ไม่สบายมากคือเป็นกรดไหล ย, ย้อนแล้วมันทำให้เราหายใจไม่ได้พอลุกขึ้นแล้วก็เห็นว่าตัวเองอ่ะล้มลงไป ลม้ลมลงไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีสติแต่ว่าลม้ลมลงไปด้วยความที่ว่าเราเจ็บเราไม่มีแรงแล้วก็พอพอลม้ลมลงนอนเราก็จะเห็นจิตว่าเราอ่ะกลัวตายพอกลัวตายแป๊บหนึงจิตมันก็มารู้ลมหายใจแล้วก็พุทธโทโดยอาจารมุมัติเจ้าค่ะแล้วก็ในขณะที่นอนป่วยอยู่เนี้มีโยมมีโยมสามสามคนไปที่วัดพอดีว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่อยู่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 สมาธิกับวิปัสสนาเป็นยังไงแล้วม่ชีก็สอนเขาทั้งๆ ท, ท, ที่ว่าตัวเองก็นอนป่วยอยู่แล้วเขาก็มีดวงตาเห็นธรรมเขาก็ร้องไห้ค่ะพระอาจารย์ mm. เขาร้องไห้เขาก็เขาก็ขอบคุณ mm. ถึงแม่ชีก็เออมีความรู้สึกว่าเออดีใจนะขณะที่เราไม่สบายอยู่เราก็ยังทำคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ mm. แต่ว่าก่อนหน้านั้นค่ะพระอาจารย์แม่ชีจะเห็นว่า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 เราไม่เอาความเฉลียวฉลาดอะไรทั้งสิ้นนะเมื่อไนเดี๋ยวปัญญามันล้ําไปเจ้าค่ะไม่ใช่ขณะที่เรานอนอยู่เราก็รู้สึกตัวตลอดเจ้าค่ะขณะที่นั่งฟังเมื่อกี้หัวใจมันหัวใจมันเจ็บเวลาเวลาใจมันไหลไปในความคิดนะให้รู้ทันเจ้าค่ะะรู้ตัวนี้บ่อยๆเจ้าค่ะไปทำเอาเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะสามนรมาเถากหลวงพ่อเจ้าค่ะ หนูเพิ่งจะมาครั้งแรกนะคะหนูไม่ทราบว่าหนูปฏิบัติมาถูกทางหรือเปล่าะะมาถูกทางแล้วล่ะแล้วไม่ทราบว่าจะเก้าหน้าหรือว่าเสื่อมลงะค่ะอย่าไปบังคับมันนะจ้ะค่ะอย่าใจเรามีปีติมีความปรับปริ่มเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้าเรารู้ไม่ทัน้มันก็ครอบงำเรากรนะทั่งปีติยังครอบใจเราได้เลยจ้ะอย่าไปปล่อยให้มันครอบนะ อารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะดีหรือชั่วอย่าให้มันครอบใจเราได้เนี่ยใจใจมันปลื่มไปเงี้ยรู้สึกไหมอ่ะอย่าไปอย่าให้มันครอบไวปงั้นเอามาหลุดออกมาให้ได้รู้สึกตัวนะดูร่างกายมากๆนะดูหลงไปผมขลเล็บปันหนงังเนื้อเอ็นกระดูกคิดพิจารณาลงไปเลยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นคแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุนะคิด อ, อยู่ในกายนี่แหละพิจารณามากมหน่อยเจ้าค่ะไม่งั้นมันขี้ปลืม้ม ขอบคุณเจ้าค่ะอ่ะต่อไปซ u เปอร์แมนนัสกสการขหลวงพ่อครับมันส่งการบ้านนครั้งแรกฮะพงส่งการบ้านครั้งแรกครับ ก, ก็ตวนนี่ก็ถูกแล้วปฏิบัติอยู่นะครับหลวงพ่อถูกแล้วล่ะใช่ได้ใช่ไหมครับใช้ได้เห็นไหมไกลกับใจกับมันแยกได้ครับ สุขทุก์ดีชั่วมันแยกได้นะนก็พยายามเห็นอยู่ทุกวันเห็นไหมมันมาเองไปเองนั่นแหละภาวนาถูกแล้วขอบคุณครับศีลดีไหมก็บางครั้งก็หลุดบ้างครับเออ <นะ S 1> ตั้งใจรักษาไปเรื่อยๆนะหลุดแล้วก็แล้วไปตั้งใจเอาใหม่นะขอบคุณครับหลวงพ่อไม่เหมือนปลานะศีลบางข้อเนี่ยถ้าขาดแล้วขาดเลย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 รู้สึกบ่อยๆสนไห ม, มเป็นเด็กสนไหมอชอบดูการ์ตูนป่ะครัชอบกินชอบกินขนมไหมนี่ยเวลาเราอยากดูการ์ตูนนะเราก็รู้ทันใจที่อยากครับรู้ก่อนนะแล้วให้ดูทีหลังครับอยากกินขนมให้รู้ทันใจที่อยาก ร, รู้ก่อนแล้วกินทีหลังคไม่ว่าจะทําอะไรนะ ใจเราอยากอะไรขึ้นมานะคอยรู้ทันมันเรื่อยๆนะถ้าฝึกทันจนกระทั่งเรารู้ทันใจที่อยากนี่ก็รู้อยากนี่ก็รู้นะเราจะพอร่าเก่งคไปทํานะครน่ารักดีวันนี้กราบนมัสการครับเพิ่งมาส่งกันบ้านครั้งแรกอรู้ปัจจุบันได้มากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่า ในในในในในกายเนี่ยจะมีตัวซ้อนอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็จะเห็นจะเห็นตอนนอนจะเห็นว่าสังขารมันทํางานแล้วก็มันจะเห็นเป็นตัวอวิชามันจะดํามืดเลยแล้วก็อวิชามันจะมันจะฉีกมันฉีกกระดาษนะครับแล้วก็จะเห็นอีกอีกอีกอีกตัวหนึ่งคล้ายๆล้ายกับเหมือนเหมือนเหมือนเนื้อที่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 เพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปรู้เราไปเห็นเนี่ยมันเท่าเทียมกันหมดเลยคือมันเกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของที่มีสาระแกนสารอะไรนะคืออย่างนี้นะแล้วยังอยู่กับร่องกัะลอยไหมครับอะไรนะยังอยู่กับร่องกัะลอยไหมครับร่องลอยอยู่กับร่องกัะลอยไหมครับยังยังงนึกว่าใจร่องลอยเปล่าใจไม่ร่องลอยหรอกปฏิบัติทูกทางถูกถกแต่ระวังปัญญามันล้ําหน้าไปฉลาดไป พราะนาดูโง oo ไปเลยนะเห็นได้นี่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูซื่อๆฉลาดไปหน่อยแต่มันมันมันจะเหน็นบางทีมันบางทีมันแล้วแต่ว่าจิตมันจะไปรู้อะไรครับรู้บางทีก็ไปรู้กายรู้เวทนารู้รู้พวกเนี้ยครับเออดูไปดูซื่อๆนะฉลาดไปนิดนึง <c oughs> <c oughs> ความฉลาดมากนะมันจะมีปัญหาในการปฏิบัตินะ ว่ามันจะรู้ล่วงหน้ามันจะรู้เดี๋ยวมาอย่างนี้เดี๋ยวก็จะไปอย่างนี้อะไรอย่างนี้นจะรู้หมดนะถ้ารู้หมดนะมันจะไม่เห็นของจริงละระวังอย่าให้ปัญญาล้ํานะทําความสงบมาบ้างทําความสงบบ้างนะอยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรก็อยู่ไปบ้างถ้าใจไม่มีสมาธิหนุนหลังนะปัญญาลั้มไปนะมันจะไม่เกิดปัญญาจริงมันจะฟุ้งในธรรมะ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 ถ้าใจมันฟุ้งมากนะก็สวดมนต์ไปนโมตัสะภควะโตัวรหาโตัวสัมมาสัมพุทธัสาเลยสวดซ้ำไปเรื่อยๆสวดสบายๆนะฟุ้งซ่านเราก็รู้ว่าฟุง้งสงบก็รู้ว่าสงบเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันนะใจจะมีกำลังสมาธิมันจะดีขึ้นสมาธิก็จำเป็นนะฝึกได้ก็ดีใช่ค่ะมีแต่ว่าขาดกาลังของจิตใช่ขาดกาลัง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 พอมันแยกได้นะมันรู้สึกโลกห่างออกไปนะเจ้าค่ะโลกนี้เบาๆไม่ค่อยมากระทบใจเราใช่เจ้าค่ะเนกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งกายก็ทำงานไปใจก็ทำงานไปเมื่อเราเห็นอย่างนี้ได้แล้วก็ต้องดูบ่อยๆเจ้าค่ะต้องมีพี่ันนั่นแหละนะแบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันอย่างน้อยสิบห้านาทีถ้ามีพินในในการปฏิบัติมันก็จะเข้าหน้าได้ ไม่ได้ให้ไปทำสมาธแบบว่าไปแต่ว่าทำทาในรูปแบบก็คือรู้สึกตัวก็จะหายใจไปรู้สึกตัวไปอะไรก็ได้นะมันไม่เข้าฌานหรอกไม่ต้องกลัวหน้าทางไม่เข้าฌานง่ายหรอกเนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ที่ที่ที่มันที่หนูเข้าใจว่าหนูภาวานาไปแล้วนี่ก็เธอถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วล่ะถูกแล้วนะหนูเห็นแม่หลวภาวนานิดหน่อยแค่นี้นะ ชีวิตจิตใจมันยังเปลี่ยนไลยเจ้ค <Okay. S 1> นะ่ะเพราะฉนั้นถ้าเราภาวนาแล้วเราจะรู้สึกเลยโอ้พระธเจ้าอัศ จ, จรรย์จริงๆธรรมะของท่านอัศจรรย์จริงๆ <Okay. S 1> สามารถเปลี่ยนใจของเราได้นะ <Okay. S 1> ใจเราเคยมืดเคยบอดก็สว่างขึ้นมาใจเคยฟุ้งซ่านก็รู้จักมีความสุขของความสงบขึ้นมาเจ้านคะ่ะ <Okay. S 1> มันปล่อยอะไรต่ออะไรได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นชีวิตมันก็เบาขึ้นเลย <Okay. S 1> ดีไปทําอีกห้ามขี้เกียจ กราบขอบพระคุณหลวงพอ่อด้วย<ค>จา้จาหลวมีปัญหาเดียวอะไรขี้เกียจเค่ะกราบนมัสการหลวงพอ่อค่ะเป็นเพิ่งส่งการบ้านครั้งแรกนะคะก็ปกติจะถนัดลูกกายมากกว่ารู้จิตนะคะทีนี้ก็ขอกลับเรียนถามหลวงพ่อเลยคือมีอยู่วันหนึ่งเนี้ยก็เดินออกกําลังกายในหมู่บ้านแล้วก็ทํทาความรู้สึกตัวไปด้วยทีนี้จะผ่านบ้านอยู่บ้านหนึ่งซึ่จงจะเลี้ยงหมายอยู่แล้วก็ปกตินี่จะรู้ตัวก่อนเวลามันเหา่า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 ความรับรู้มันจะเร็วแม้มันจะคล้ายๆเห็นผ่านเป็นชอ็ชอตๆเลยนะอย่างเห็นการเคลื่อนในยขยับขยับขยับขยับลูกศิษย์หลวงพ่อจํานวนมากเลยขับรถเร็วรถคว่ำเวลารถคว่ำนี่นะร่างกายรถมันพลิกยังไงรู้หมดเลยนะร่างกายกระดิกยังไงเนี่ยรู้เลยเห็นเป็นชอ็ชอตๆเลยจิตไม่นคนดูเด่นดวงอยู่เนี้ยอันนี้เป็นกําลังของสมาธินะจิตเป็นตั้งมั่นขึ้นมายังไม่ใช่ตัวมร์นะ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 สังเกตยอย่างนี้ เ, เดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดดูออกไหมเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เนี่ยตอนนี้เป็นตัวตัวคิดและรู้สึกไหมครับรครับดครับดูอย่างนี้แหละมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะรักษาตัวรู้ให้เด่นดวงอยู่ทั้งวันนะกระทั่งตัวรู้เราก็ดูให้เห็นว่ามันเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เท่าเท่ากับร่างกายเท่าเท่ากับความสุขทุกข์เท่าเท่ากับความดีความชั่วอยงตอนนี้เราไปบังคับจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหม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 ครับขอบคุณครับในยุคนี้หาคนที่ภานาจนโลกาธาตุดับมีไม่มากแล้วอ่ะหมดแล้วล่ะได้ส3าคนครับขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาแสดงธรรมและตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติครับลำดับต่อไปพวกเราทุกคนจะร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่หลวงพ่อข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย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 และครอบครัวตับสิ้นการละนานเทินยาถาวอริวหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังจิ ป, ปะเมวะสมิชตุสัเพภูเรนตูสังกปาฉันโทปนรโอยธถามณีโชติรสโอยาถา สปีดิโยวิวัตชันตูสปโรโควินั ส, สตูมาเตปวัต ว, วันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาศีลิสนิจจังุทธาปัจจายโนจัตตาโรโอธรมาวัตันติอายุวันโนสุขขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับทีมงานที่จัดนะเวลาจัดให้หลวงพ่อเทนเนี่ยเป็นงานที่เหนื่อย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 กาแยกใจแยกรูปแยกนําได้แล้วมาดูมันทํางานไปเนี่ยคนหัดโยงหัดใหญ่อะไรมันดีขึ้นเยอะนะมาจากหลายจางังหวัดนะดูแะเดี๋ยวหลวงพ่อไปก่อนนะขอทุกท่านพนมมือกราบหลวงพ่อพร้อมๆกันนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับบาทและจีวรนะเดี๋ยวทีมงานช่วยถวายตาที่ท่านมานี้